บอกคืนสิกขาโดยการใช้คำวัยพจน์53อีกประการหนึ่งคำที่เป็นไวัยพจน์ของพระพุทธเจ้าคำที่เป็นไวัยพจน์ของพระธรรมคำที่เป็นไวัยพ์ของพระสงฆ์คำที่เป็นไวัยพจน์ของสิกขาคำที่เป็นไวัยพจน์ของพระวินัยคำที่เป็นไวัยพจน์ของพระปฏิโมกข์คำที่เป็นไวัยพ์ของอุทเทศคำที่เป็นไวัยพจน์ของพระอุปชฌาคำที่เป็นไวัยพจน์ของพระอาจารย์คำที่เป็นไวัยพจน์ของ สัตว์วิหาริกคำที่เป็นไวโพ์ของอันเตวาสิกคำที่เป็นไวยพน์ของภิกษุผู้ร่วมพระอุปัชฌาย์คำที่เป็นไวโพ์ของภิกษุผู้ร่วมพระอาจารย์คำที่เป็นไวโพ์ของเพื่อนโภมจารีคำที่เป็นไวโพ์ของครือหัดคำที่เป็นไวโพ์ของอุบาสกคำที่เป็นไวโพ์ของคนวัดคำที่เป็นไวโพ์ของสัมมเนนคำที่เป็นไวยพจน์ของเดียรถีคำที่เป็นไวยพจน์ของสาวกเดียรถี คำที่เป็นไวโพ์ของผู้ไม่ใช่สมณะคำที่เป็นไวโพ์ของผู้ไม่ใช่เชื้อสายพระสกยาบุตรแม้อื่นใดที่มีอยู่ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ด้วยคำที่เป็นไวโพ์เหล่านั้นอันเป็นอาการเป็นลักษณะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้และเป็นการบอกคืนสิกขา